คือสรุปแล้วสัตว์ในพบภูมิทั้งหมดในจักรวาลทั้งหมดมีประมาณเท่าใดพระตะถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปราดกล่าวว่าเป็นยอดแห่งสัตว์ทั้งปวงนั้นโ้ดีที่สุดนะเราเนี่ยได้นับถือบุคคลที่ดีที่สุดสูงที่สุดประเสริฐที่สุดก็บอกว่าโหสัตว์ทั้งหลายเราจะคิดถึงคนทั่วไปเป็นพันล้านคนแสนโกดล้านคน ก็สู้ตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าองค์เดียวไม่ได้เนีย่ยนะเพราะพระองค์นี้เป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดเป็นยอดแห่งสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะสัตว์เหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าสัตว์เหล่านั้นจึงชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศเมื่อเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศก็ย่อมได้ผลอันเลิศเนีย่ยนะ พระพุทธเจ้านี่มีคุณที่ไม่มีประมาณใช่ไหมท่า น, นถ้าเราเจริญกุศลจิตมีศรัทธาเลื่อมใสไปในผู้ที่มีคุณไม่มีประมาณอย่างนี้บุญที่ไม่มีประมาณก็ย่อมสําเร็จแก่ผู้นั้นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเลื่อมใสในวัตถุที่เลิศคิดดูนะถ้าหากว่าเร า, าเกี่ยวข้องกับคนมีคุณน้อยๆเนี่ยชีวิตของเราก็ตอบแทนมาน้อยนะถ้าเราเกี่ยวข้องกับผู้มีคุณมากอ่าเขาเหล่านั้นก็จะช่วยเหลือเราได้มาก ดันั้นคนที่เราเกี่ยวข้องนี่มีความสําคัญมากแต่ยิ่งเกี่ยวข้องกับพระราชามาหากษัตริย์เป็นต้นเนี่ยเพราะท่านสา ม, มารถให้คุณเราได้อย่างมากมายมาหาศาลเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่ยิ่งกว่าพระเจ้าจกักรพรรดิทั่วไปยิ่งกว่าพระราชาธรรมดาอันท่าผู้ที่มีใจเลื่อมใสในพระองค์เนี่ยโหกุศลจิตที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเนี่ยนับว่าเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเป็นกุศลที่เลื่อมใสในคนที่มีคุณจริงๆ ถ้าพูดภาษานักเล่นหวยเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าซื้อเลขท้ายสองตัวทุนร้อยหนึ่งเนี่ยนะจะได้กี่ตังค์ใช่ไหมสามตัวเอาเพิ่มขึ้นไปอีกถ้ารางวัลที่ห้าเออมันก็เพิ่มกว่านั้นอีกถ้ารางวัลลดมาถ้าหากว่าทุนเท่าเดิมเนะี่ยถ้าซื้อรางวัลที่หนึ่งล่ะรางวัลที่หนึ่งของไทยก็นนะ่าจะถูกนะถ้ารางวัลที่หนึ่งของต่างประเทศบางประเทศเนี่ย โ, โหในเยอะแยะไปหมดร่ํารวยเป็นที่พึ่ง เขาเลื่อมใสในบุคคลที่เลิศที่สุดต่างกันใช่ไหมเพราะเพราะวัชนียานังเอตัมมังคามุตตะ ม, มังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยเป็นเมื่อเทียบกับคนมันกันเลยเป็นอุดมพระเจ้าโอ้ยเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้ามีคุณมากมายมหาศาลเนี่ยนะสามารถที่จะยกผู้นั้นให้พ้นจากอบายทุคติวินิบาดนารก เนี่ยนะเขาไม่ไปสู่อบายทุคติวินิบาตนะรกสา ม, มารถเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุญเหล่านี้ก็จะประคับประคองให้ชีวิตของเขาในสังสารวัตนั้นนะ่ะเป็นคนที่ไม่ทุกข์ไม่ยากไม่หนักหนาสาหัสเหมือนคนทั่วไปเพราะเขามีบุคคลที่สูงสุดเป็นสาระเป็นที่พึ่งเขาเลื่อมใสในบุคคลที่เลิอที่สุด อันพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปูชาจะปูชนียานังเอตมังคมามุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยเป็นยอดมงคลมืนนเถอะเป็นอุดมมงคลอุดมก็แปลสูงสุดเนี่ยนะเป็นเหตุแห่งความเจริญที่สูงสุด น, นะนี้ก็นับว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลเหมือนกันนะธรรมะทางลาย ที่เป็นสังคตะมีประมาณเท่าใดอริยมัสมีองแปดประกาศกล่าวว่าเป็นยอดแห่งธรรมะทั้งปวงนั้นสัตว์เหล่าใดเลื่อมใสในอริยมัสมีองแปดสัตว์เหล่านั้นจึงชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศเมื่อเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศก็ย่อมได้ผลอันเลิศเห็นไหมเขาบอกว่าสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก่อร่างสร้างตัวขึ้นก็บอกว่า พูดแบบสำนวนเราก็นะในบรรดากับข้าวถ้วยหนึ่งนะ ม, มันมีกับข้าวบางชนิดนะที่มันแพงมากใช่ไหมแพงราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนั่นแหละกับข้าวถ้วยเดียวเนี่ยอาหารบางอย่างซึ่งมีมูลค่าแพงมากมายมหาศาลก็กับข้าวเนี่ยนะเอาผักไม้ใบหญ้าเอาอย่างอื่นมาผสมผสมคลุกๆกันเข้าอ่ะแต่ทําไมมีค่ามากมายเหลือเกินเนี่ยนะทีกับข้าวธรรมดาชาวบ้านธรรมดาทําไมราคาถูกเหลือเกินอย่างเงี้ย มีความแตกต่างกันเพราะวัตถุที่ปรุงแตกต่างกันคนปรุงแตกต่างกันฝีมือแตกต่างกันเป็นต้นฮั้นในบรรดาสิ่งที่ถูกปรุงแต่งเหมือนกับปราสาทราชวังเนี่ยมีค่าใช่ไหมเพราะสิ่งเหล่านั้นถูกปรุงแต่งมาอย่างดีข้าวของเครื่องใช้ที่มีราคาแพงก็เพราะถูกปรุงแต่งมาอย่างดีอะไรแต่ละตัวแต่ละตัวนี่ชั้นเยี่ยมมาประกอบกันเข้าใช่ไหมรถบางคันเนี่มีราคาเกินสิบล้านเนีย่ยนะเพราะ เพราะอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มาประกอบกันเข้าเป็นวัตถุชั้นดีนะถ้ายิ่งเครื่องบินยิ่งอะไรเป็นต้นก็จะแพงไปตามนั้นเข้าไปอีกทีนี้ในบรรดาคนทั้งหลายเหมือนกันคนไหนที่บุญตกแต่งมาดีคนนั้นมีค่าตัวแพงเหมือนกัน คนไหนที่บุญกระจกกระจอกตบแต่งมาก็ฆ่าตัวก็ถูกไปตามนั้นนะ่ะยกมือไหว้ใครเขายังไม่ไหว้ตอบเลยเห็นว่า บ, บุญมันน้อยขนาดนั้นยกมือไหว้เขาประลกประลกไม่มีใครเลี้ยวใครแลเลยเคยเห็นขอทานว่าไหไว้เขากราบเขาประลกประลกข้างทางนั่นแหละเขาไม่สนใจเลยวันหนึ่งเนี่ยมานั่งรถที่ที่เชียงใหม่นั่นแหละมีขอทานคนหนึ่งก้มลงกราบเลยเนอะก้มลงกราบกับพื้นเลยนะคนที่เดินข้างถนนไม่ได้เลี้ยวแล้วเขาเลยเอ่ะนะ ไม่ในเลี้ยวเลยนะี่ถ้าบุญน้อยๆมันให้ผลกับลักษณะนั้นชีวิตจะเป็นอยู่นี่ก็ยากเต็มทีแม่บางคนเนี่ยโอ้ยชาวชาวชา ว, ชาวเผ่านะชาวดอยเนี่ยนะมีลูกอยู่ในอกนั่นแหละเที่ยวขอทานยกมือไหว้ประลกประลกไม่มีใครให้เลยเามาจะไปให้อะไรมีทักบานมากนะอาการขั้นสุดท้ายแล้วส่งกลิ่นขาวคราบทางนี่ไม่มีใครให้เลยถ้าหากว่าคนที่ฉลาดกว่านั้นหน่อยไม่ขอทานอก เขาขายลอตเตอรี่นะนะเข้าไปก็รวยรวยอย่างเดียวเข้าไปตามร้านอาหารต่างๆเนี่ยนะเพื่อไปขายลอตเตอรี่บางคนก็ขายหนังสือพิมพ์บางคนก็ขายดอกไม้นะชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยก็จะมันแล้วแต่บุญจริงๆอันนั้นคนทั่วไปใครที่ถูกปรุงแต่งมาด้วยบุญอย่างเลวที่สุดอ่างนั้นแต่ก็นับว่านับว่าเป็นคนเลวในหมู่มนุษย์แม้แต่หน้าตาคนก็ไม่อยากพบอยากเจออยากเจอเอางี้นะคนโรคเรื้อนมานั่งอยู่ข้างหน้าเอาเป่า อยากพบอยากเจออยากเจอเลยนะทำไมหรือคนเป็นโรคบางอย่างเช่นโรคเอดอย่างเงี้ยที่ซึ่งคนรังเกียจมากะอาการขั้นสุดท้ายแล้วส่งกลิ่นขา ว, ขาวขคระคลุงไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่ชอบใจใช่ไหมเพราะว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยอากุศลมันกลุ่มรุมเล่นงานมากแต่ทีนี้ในบรรดาคนที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมาคนที่มีบุญมากบุญหนักศักดิ์ใหญ่และยิ่งเกิดตระกูลสูงด้วยนะต้องทํารับสเสด็จนะ ถ้าในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เนี่ยโหถนนสายนี้เนี่ยเลี่มหมดกลงแต่นะรอบๆบริเวณอาณาอาาบริเวณเกือบหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยนะมีทหารคุมหมดแตนะมีทหารมีตำรวจเนี่ยดักคุมหมดถนนเกือบทุกสายเนี่ยนะมีข้าราชการเนี่ยมาเตรียมรับหมดประชาชนมาคอยรับเสด็จเออบุญเนี่ยแตกต่างกันนะเพราะในหลวงเนี่ยฆ่าตัวหาประมาณไม่ได้ฆ่าตัวในสูงมากเพราะบุญท่านดีทีนี้เทวดาเนี่ยนะมากกว่านั้นอีกนะ ถ้าเทวดาเหาะมาให้คนดูเนี่ยนะโวคนนี่คงซื้อตั๋วเนี่ยนะคนละแสนคนละแสนก็ยอมซื้อบัตรไปดูเทวดานี่ยขอให้เหาะให้ดูเนี่ยนะบัตรบัตรใบละแสนคนก็จะซื้อดูกบอกนั่นเทวดาก็บอกว่าพรหมอีกมีค่าตัวแพงกว่า น, นั้นมากมายมหาศาลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยสูงสุดกว่าในบรรดาคนเหล่านั้นในเนธพูดโดยบุคคลที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นแต่ในทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะถ้าเป็นจิตเจตสิกเนี่ยนะ เจตสิก ค, คือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นคือปัญญาวิตกปัญญาเจตสิกวิตกเจตสิกวีรติเจตสิกวิริยะเจตสิกเอกะขะตาเจตสิกสติเจตสิกที่เกิดร่วมกับมรรคจิตเนี่ยนะเจตสิกแปดดวงนั้นที่เกิดร่วมกับมรรคจิตนับว่าเป็นยอดแห่งสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอยอดแห่งของที่ถูกปรุงขึ้นนะบอกว่า เพราะฉะนั้นคนที่เลื่อมใสในอริยมรรอ 8, อคอันประกอบไปด้วย 8, อ, วองค์8ซึ่งช่วยสัตว์ให้พ้นจากวัตทุเนี่ยนะผู้ที่ปรารถนานิพยานก็แสวงหาอริยมรรคเั้นอริยมรรคเนี่ยเป็นประตูแห่งพระนิพพานเพราะฉะนั้นคนที่เลื่อมใสในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดก็ชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุที่เลิศเพราะฉะนั้นผลที่เลิศก็ย่อมสําเร็จแก่เขาถ้าหากว่าเราจะรู้ว่าอริยมรรคประเสริฐที่สุด ทีนี้ธรรมะทั้งหลายทั้งที่เป็นสังคตียาสังคตะมีสรมมาทิธิมกีอย่าหนึ่งกรมสกตาสมมาธิทิสองวิปัสนาสัมมาธิทิสามฌานสัมมาธิทิสี่มรรสสัมาธิทิห้าผลสัมมาทิฏฐิก็ต้องแยกแยะเรื่องสมมาธิทิออกสัมมาสังกปะก็ต้องแยกออกอีกเราจึงจะเลือกยอดถูกใช่ถ้าถ้าแยกอย่างอื่นไม่ได้เอา บอกสัมมาทิฏฐิเก็บมาหมดเลยเนี่ยนะไม่รู้อะไรเป็นอะไรเมามาหมดเลยแต่ก็ดีฮะเดี๋ยวหลังค่อยมาแยกหรือเปล่าขอยได้สัมมาทิฏฐิก่อนเถะกัรมสกตาก็ให้ได้เถะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะอริยมรรคประเสริฐที่สุดทีนี้ธรรมะทั้งหลายทั้งที่เป็นสังคตะทั้งที่เป็นอสังคตะมีประมาณเท่าใดวิราคะปราะกล่าว่าเป็นยอดแห่งธรรมะทั้งปวงนั้น วิราคานี่เป็นชื่อของพระนิพพานเป็นธรรมะที่คลายกำหนัดเนี่ยนะวิราคาคือธรรมะเป็นที่ยังความเมาให้สาง เ, ออเนี่ยนะใครที่มองเห็นพระนิพพานเนี่ยความเมาคือราคาความเมาคือโทสะความเมาคือโมหะเนี่ยสางสามหมดเลยแล้วก็พระนิพพานนั้นเป็นธรรมะที่รางับเสียสิ้นซึ่งความกระหาย คนที่มองเห็นนิพานเนี่ยไม่รู้สึกกระหายอีกต่อไปแล้วงั้นคนที่คนที่ลงไปในน้ําน้ํามันเย็นเลยเนี่ยนะเป็นห่วงน้ําใหญ่โตเลยถามว่าเขานึกกระหายน้ํำไหมในขณะนั้ น, นมันเห็นแล้วมันก็ไม่รู้สึกกระหายแล้วนาะก็เห็นแล้วก็อิ่มแล้วเนี่ยนะแต่ว่าเอามาลูบคอสักหน่อยนี่นะเพราะฉะนั้นวิราฆาหรือนิพานเนี่ยเป็นที่ถอนขึ้นหมดซึ่งอะไรอะไรในที่นี้เป็นชื่อของตันหานะ แล้วก็วิราคานั้นเป็นธรรมะที่เข้าไปตัดเสียซึ่งวัตตะ น, นนะวัตตะก็คือกรรมวัตวิปากวัตและกิเลสวัตเป็นธรรมะที่เข้าไปตัดวัตตะเหล่านี้เป็นธรรมะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากสิ้นความกระหายเป็นธรรมะที่ปราศจากความกำหนักเป็นธรรมะที่ดับทุกวิราคะใ น, นที่นี้ก็คือนิพพาน สัตว์เหล่าใดเลื่อมใสในวิราคธธรรมสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศเมื่อเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศก็ย่อมได้ผลอันเลิศอ๋ดีนะผู้ที่จะศรัทธาพานิพานได้คนนั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำํำสอนเป็นอย่างดีทำไมอย่างนั้นเนี่ยโหคิดเรื่องนิพพานก็เอียงอย่างไรอย่างหนึ่งนะเพราะว่านิพพานนั้นเป็นธรรมะที่ตัดทอนซึ่งบาปอากุศลทุกชนิดนั่นเอง ข้อที่สี่บอกว่าสง์ทั้งหลายก็ดีสงก็คือหมู่นั่นเองหมู่ทั้งหลายก็ดีคณะทั้งหลายก็ดีมีประมาณเท่าใดพระสงฆ์สาวกของพระตถาคตประกาดกล่าวว่าเป็นยอดแห่งสง์แห่งคณะทั้งปวงนั้นสงสาวกของพระตถาคตคือใครคือคู่แห่งบุตรสี่บุุษบุคคลแปดนี่สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ควรของทำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญเชิญผู้เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าสัตว์เหล่าใดเลื่อมใสในพระสงฆ์สัตว์เหล่านั้นจึงชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศเมื่อเกียรติความสุขและพละคือกำลังอันเลิศย่อมเจริญมากผู้มีปัญญา เป็นผู้ให้ของที่เลิศมั่นคงอยู่ในธรรมะที่เลิศแล้วผู้นั้นจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามย่อมได้รับฐานะอันเลิศลืดบันเทิงใจผู้เลิศผู้เป็นทักษินายบุคคลไม่มีใครยิ่งกว่าเลื่อมใสในพระธรรมอันเลิศอันเป็นที่สิ้นราคะเป็นที่สงบเป็นสุขเลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศ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 บันเทิงใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในคุณของพระธรรมมีความรู้ความเข้าใจในคุณของพระอริยสงฆ์แล้วก็มีความเลื่อมใสในกุศลธรรมเหล่านี้คุณความดีเหล่านี้เนี่ยนะมันก็นับว่าเป็นวิธีการเจริญกุศลอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญเพราะฉะนั้น อย่าลืมนะว่าการที่เราศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจแล้วเลื่อมใสเนี่ยนะเมีย น, นิสงฆ์มากกว่าการถวายสังฆทานนะมีย น, นิสงฆ์มากกว่าสร้างเสนาสนะแก่สงฆ์ที่มาจากทิศ ท, ทั้งสอันนี้ข้อความนี้มีปรากฏอยู่ในเวลามาสูตรอังคุตรนิกายนวกานิบาตนะนะซึ่งพระ อ, องค์ได้ตรัส ก, กับอนาถบินธิกะเศรษฐีนะที่วัดพระเชตวัน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 ก็แสดงว่าตอนนั้นอนาถาบินทิกาเศรษฐีเนี่ยถึงความยากจนลงคืออนาถาบินทิกาเศรษฐีเนี่ยนะซื้อที่สร้างวัด18โกดสร้างวัดอีก18โกดแล้วก็ฉลองอีก18โกดรวมเป็นสาสหโกดใช่ไหมแล้วก็เพื่อนยืมไปส่วนหนึ่งเพื่อนพ่อค้าเนี่ยยืมไป อ, อีกส่วนหนึ่งทรัพย์ที่ไปฝังไว้ที่แม่น้ำอ่ะนะ น้ำมันพัดไปลงทะเลหมดเพราะฉะนั้นด้วยเหตุทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละแกก็เลยถึงความยากจนเลยนะโหจนขนาดนี้เชื่อบุญหรอเปล่าดีให้เนี่ยนะของดีของเลวก็ตามเธอแต่เป็นคนธรรมดาทั่วไปนี่คงเสียหายเลยไม่ทำความนอบน้อมให้ไม่ให้จริงแล้วเนี่ยนะอ่ามันประจบเหมาะกันพอดีระหว่างอากุศลในอดีตที่เคยทำมาก็ได้ ปัจใจเนี่ยนะแต่ว่าอนาถบินิกาเศรษฐีท่านก็ไม่ได้วันไวอะไรถึงยากจนลงท่านก็ยังให้ทานอยู่เหมือนเดิมนะนะอนาถบินิกาเคหารหบดีกราบทูลว่านะได้กราบทูลไปแล้วพระองค์ตรัสต่อไปว่าดูก่อนเคหรหบดีบุคคลให้ทานอันเศร้ามองหรือประนีตก็ตามคือไอ้วัตถุที่ให้เนี่ยนะของดีของเลวก็ตามเธอะ แต่ให้ทานนั้นโดยไม่เคารพไม่ทำความนอบน้อมให้ไม่ให้ด้วยมือของตนเองให้ของที่เหลือคือของเดนนี่นะแล้วก็ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานทานนั้นๆย่อมบังเกิดผลในตระกูลใดๆในตระกูลนั้นๆจิตของผู้ให้ทานย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดี สมมติถ้าหากว่าบุญที่เขาทําแบบนี้เนี่ยนะคือหนึ่งทำโดยไม่เคารพทําโดยไม่นอบน้อมไม่ทําด้วยมือของตัวเองให้ของที่เหลือให้แล้วก็ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมให้อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าผลอันนี้ให้นะกุศลจิตอันนี้ให้ผลที่อากุศลจิตเป็นบริวารเยอะแบบเนี้เขาก็ไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีใช่ไหมกินข้าวฮะแต่ของที่ เศ้าหมองเศร้าหมองมากินบางคนเนี่ยกินข้าวหักหักนี่อยู่ได้นะกินข้าวหอมมะลิแล้วไข้ขึ้นเคยได้ยินหรือ ว, ว่ามีนะหอมมะนี่นรู้จักยอมคนหนึ่งเหมือนกันะนะะเขาบอกว่าโหได้ข้าวหอมมะลิข้าวอย่างดีเนี่ยนะกินไม่ได้เลยต้องไปหาข้าวปลายหักหักมากินนั่นแหละแข็งแข็งกินเคี้ยวยากๆนั่นแหละบุญเออบางคนเนี่เป็นอย่างนั้นนะกินข้าวหอมมะลิเนี่ยไข้ขึ้นนะป่วยทันทีเลยแสดงว่าไม่ให้ด้วยความเคารพไม่ ไม่ให้ไม่ทำความนอบน้อมให้ไม่ให้ด้วยมือของตนให้ของที่เหลือเป็นของเดนแล้วก็ไม่มีความมั่นคงในเรื่องกรรมอะไรแล้วก็เขาเหล่านั้นก็ไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกามมาคุณห้าอย่างดีเนี่ยนะสรุปแล้วข้าวของเครื่องใช้ไม่มีดีสักอย่าง ฐานะดีอ่ะแต่ว่าไม่ค่อยอยากใช้ของดีอะไรแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภรรยาทาสคนใช้คนทำงานก็ไม่เชื่อฟังไม่เงี่ยหูฟังทรงจิตไปที่อื่นเสียข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทั้งนี้เป็นเพราะผลแห่งกรรมที่ทนที่ตนกระทาโดยไม่เคารพ น, นะ คนที่ทำบุญโดยไม่เคารพเนี่ยนะมีลูกมีเมียมีทาต ม, ม, ม, ม, มีคนใช้มีคนงานเนี่ยนะพูดไรพูดซ้ายพวกไปขว า, านะตอนหน้าก็ทำงานทีเดินพ้นหน้าก็เลิกไม่ทำนะที่มันก็ทุกข์ใจนะแต่ที่จริงก็น่าอดิตกรรมเนี่ยก็คือทำบุญโดยไม่เคารพนั่นเอง บุญที่ไม่ทําด้วยความเคารพใหม่ทําด้วยความนอบน้อมไม่ให้โดยมือของตัวเองให้ของที่เหลือแล้วก็ไม่เวลาให้ก็ไม่ได้มีความเชื่อมัน่นในเรื่องกรรมก็สักแต่ว่าให้ให้ไปอย่างนั้นแหละเพราะนั้นข้าวของเครื่องใช้ก็เป็นของที่ไม่ประนีตมีลูกลูกก็เถี่ยงจริงๆมีภรรยาภรรยากับคนละเรื่องคนละราวเลยเนี่ยนะถ้าหากว่าคนที่เป็นภรรยาและสามีว่ายากนี้เป็นยังไงก็คล้ายๆกันละมั่งเนาะนั้น เป็นมีทาดมีกรรมกรมีคนงานก็ไม่เชื่อฟังอะไรเลย น, นะตอนหน้าก็ทำงานทีเดินพ้นหน้าก็เลิกไม่ทำ